กราบราบหลวงพ่อกำเขียนด้วยความเคารพสูงสุดกนะราบของอกาศจากหลวงพ่อกลมพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์วัฒ น, นาชัยพระอาจารย์นโนดก็โอกาสเพื่อนสาธมิกจเจริญพรมันยังแม่ชีแล้วก็พวกเราญาติธรรมเนาะก็ เมื่อกี้พระจนานทร์มาธาชัยก็พาสวดปัจชิมพุทธโอวาสเนาะก็ในช่วงนาทีสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังมีสติสอนพวกเราเนยเป็นเรื่องเป็นราวมากๆเนาะตรงนี้หลวพ่อเขียนเองก็มี ใช่ไหมคำสุดท้ายที่บอกพวกเราเนาะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นสติเนาะที่หลวงพ่อกาเขียนมีหลวงพ่อเทียนก็เหมือนกันเนาะในนาทีสุดท้ายหลวงพ่อเทียนก็มีวาจาที่บอกให้คนรอบข้างะระวังนะ <c oughs> บอกว่ากำลังจะ หายใจไม่ออกแล้วอะไรทำนองนี้นะคนที่อยู่รอบๆข้างก็ได้เล่าให้ฟังในช่วงที่ลึกลึกถึงหลวงพ่อเทียนร้อยปีก็เคยอ่านของหลวงพ่อพุทธาสเนาะตอนที่เส้นเลือดในสมองของท่านจะแตกก่อนที่ท่านจะเข้าโรงพยาบาลก็ท่านก็บอกกับพระที่อยู่ ใ, ใกล้ๆท่าน ก็จำไม่ได้ว่าเป็นหลวงพ่อรูปไหนยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าท่านก็บอกอย่างนี้แล้วเนาะบอกว่าเหมือนกับเส้นเลือดจะแตกแล้วหรืออะไรทำนองนี้อย่างนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นผลของการปฏิบัติเนาะว่าแม้ในนาทีสุดท้ายเนาะก็ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อขอเขียนก็บอกเนาะ รูกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คําว่ารู้ก็คือรู้เรื่องของเราเองไม่ได้รู้เรื่องของคนอื่นแล้วก็รู้เรื่องของเราเองตรงนี้ก็เพื่อที่ว่าเราจะได้จัดการตัวเองได้ถูกเนาะเมื่อเวลาเราเกี่ยวข้อ ง, องคนอื่นรอบๆข้างโน้มเขียนก็จะพูดถึงเรื่องที่ว่าผลของการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ทําให้เราทุกข์แล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นทุกข์ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าก็เป็นผลเนาะเป็นผลของการปฏิบัตินั้นนั่นคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ชีวิตของเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนาะการเกี่ยวข้องกับคนอื่นตรงนี้ก็เป็นหลักก็เรียกว่าเป็นหลักที่หลวงพ่อเทียนเองก็ได้วางเอาไว้แต่แรกทําไมจะต้องลืมตาปฏิบัตินะเพราะเนื่งองจากว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องอยู่กับโลกเนาะไม่ได้อยู่กับตัวเองคนเดียวนั่นนั่นคือในขณะที่เราปฏิบัติเองเนี่ย เราก็ต้องรู้ตัวของเราเองถ้าทำนองเดียวกันเราก็ต้องรู้ตัวรอบข้างหรือเราเองเราก็เคยได้ยินเนาะภาษาธรรมเนาะที่บอกบอกว่าอยู่กับโลกที่วุ่นวายอย่างไม่วุ่นวายตรงเนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะผลของการปฏิบัติก็คือสิ่งที่จะทําให้เกิดสภาวะแบบนี้นั่นนั่นคือตรงเนี้เนาะเราเองเราก็ปฏิบัติเนาะปฏิบัติเพื่อที่ว่าเราจะได้ เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราอย่างถูกต้องงดงามเนาะมีสิ่งที่พูดถึงเรื่องสภาวะของการปฏิบัติพวกนี้ผลของการปฏิบัติพวกนี้ก็เมื่อก่อนก็เคยเคยเคยอ่านนะเคยอ่านหนังสือที่มีครั้งหนึ่งพระเจ้าเองก็บอก พุทธสาวกของพุทธเจ้านะบอกว่าเวลาที่จะไปก็เรียกว่าไปยังที่แห่งหนตาบลไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือทํำยังไงเราถึงจะทําตัวเป็นเหมือนกับมแมลงผู้เนาะที่ไปตอมดอกไม้เนี่ยดอกไม้เนี่ยที่ถูกตอมเนี่ยก็ไม่ถูกก็เรียกว่า ไม่ถูกไม่ช้าแม้สีและกลิ่นถ้าพวกเรารู้จักมแมลงผู้น ะ, มะแมลงผู้จะเป็นมแมลงตัวใหญ่ใหญ่ขนาดสักหัวแม่มือนะหัวแม่มือเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะแต่ขาก็จะคมมากเวลาที่เขาเกาะเราเนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าได้เจ็บกันเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าความคมของขาเขาเนี่ยเยอะย้ายมากเลยแต่พอในขณะที่เขาไปตอมดอกไม้เนี่ยก็ เ, เรียกว่า ดอกไม้เนาะกลีบจะไม่ช้ำเลยทำนองเดียวกันเขาก็ยังช่วยแบบว่าในขณะที่เขาดูดน้ำหมานเขาก็ยังช่วยผสมเกสรนะตรงนั้นก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่านี่คือสิ่งที่หลวงพ่อขุนเทียนได้บอกเอาไว้เวลาที่เราเกี่ยวข้องคนอื่นเนี่ยเนาะเราไม่ทาให้ตัวเราเองทุกข์แล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นทุกข์เพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ย ครูบาอาจารย์ทั้งหมดตั้งแต่พระเด็เจ้าลงมาเนาะจนกระทั่งถึงแบบว่าครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆเขาพูดสอดคล้องต้องกันในเขาเรียกว่าในวลีหรือในคำพูดที่ต่างๆกันแต่ว่าทั้งหมดก็บอกให้เราได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าถ้าเราปฏิบัติเนาะผลก็จะเป็นแบบนี้เนาะนั่นนั้นคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ ถ้าเราเกิดมาเนาะแล้วการเกิดมาเป็นคนของเราเนี่ยได้ทําเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเนาะเราก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่าธรรมชาติทั่วๆไปที่ไม่ถูกดัดแปลงธรรมชาติทั่วๆไปอย่างปีนี้เนาะเวลาที่เดินบินทบาทเนี่ยทางบินทบาทเนี่ยจะผ่านต้นกระบบต้นหนึ่ง ปรากฏว่าในในช่วงปีนี้ฤดูฝนเนี่ยที่ควรจะฝนตกเนี่ยปรากฏว่าฝนแรงไปประมาณสองเดือนต้นกระบบกเขาก็เกิดอะไรขึ้นเขาก็ออกลูกสองครั้งลูกส่วนหนึ่งก็ล่วงไปเนาะเดินบินทบาทวันแรกเนี่ยประมาณตนหลังจากที่หลวงพ่อเขียนสิ้นไปก็เดินบินทบาทวันแรกปรากฏว่าบนเส้นทางก็มีลูกกระบบกเนี่ยล่วงอยู่ ปรากฏว่าเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะได้เดินเป็นตมาดอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่ามีลูกกระบกรุ่นใหมจ่จากต้นเดิมล่วงมาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ตรงนี้เนาะธรรมชาติเนาะจะเป็นแบบนี้เนาะคือธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่วยวายว่าฝนแรงไม่โวยวายว่าแดดร้อนไม่โวยวายว่าอะไรเลยไม่ได้ทุก ไปกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปจะออกลูกสองครั้งในปีเดียวเขาก็ทํำนะตรงนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นประโยชน์เนาะเป็นประโยชน์แล้วตัวเขาเองเขาก็เหมือนกับว่าปรับเปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติแล้วก็ยังคงให้ประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตรอบๆข้างตามหน้าที่ที่เขามี นั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็คนเราก็เหมือนกันถ้าเราเกิดมาเนาะเราได้ทำหน้าที่ของความเป็นคนเนาะให้สม ก, กับกับการที่เราได้เกิดมาเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองนะที่จะช่วยเราคือชีวิตของเรามันจะเป็นชีวิตที่พิเศษเนาะตรงที่ว่าเราจะมีเรื่องราวต่างๆนานาที่พิเศษกว่าสัตว์อย่างอื่นเนาะ มีหูตาจมูกลิ้นกายใจแรงต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เกิดขึ้นมากับเราแล้วก็สิ่งต่างๆนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนก็จะบอกเนาะว่าจะเป็นสิ่งที่รับผิดรับถูกเนี่ยเข้ามาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าถ้าเราไม่มีสติจะแยกแยะเนี่ย้สิ่งที่ผิดถูกที่เข้ามาอยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็จะก่อขึ้นมาเป็นรูปเนาะเป็นรูปของตัวเราดั้นั้นคือตรงนี้เนี่ย การดำเนินชีวิตของเราถ้าเราไม่ระมัดระวังตรงนี้เนี่ยไม่มีสิ่งที่จะช่วยแยกแยะว่าอะไรที่เราควรรับอะไรที่เราไม่ควรรับเนี่ยชีวิตของเราก็าจะเป็นอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าการที่เราจะต้องฝึกเนาะฝึกสติก็เพื่อที่ใช้เรามีสติเนาะสำหรับที่จะช่วยกํากับชีวิตของเราเพรานั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยการที่เรา ขยับเนอะร่างกายแต่ละครั้งขยับร่างกายแต่ละครั้งเนี้ยให้เราได้เติมนเนอะเรียกว่าเติมสติเติมความรู้สึกตัวเข้าไปในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งตัวนี้เนี้ยการที่เราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งมันจะกลายเป็นการกระทําที่มีสติไปเกอบไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี้ยเราไม่เอาสติเข้าไปประกอบด้วยเนี่ยการกระทําของเราก็จะมีผลเหมือนเดิมเนอะ มีผลแน่นอนแต่ผลตรงนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลที่ไม่มีสติประกอบด้วยตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เ็าเรียกว่าเราเนาะเขาเรียกว่าการกระทาของเราในชีวิตของเราก็จะเหมือนกับมีผลลุ่มลุ่มดอนดอนมาเรียกว่าคำว่าลุ่มลุ่มดอนดอนก็คือเดี๋ยวก็มีสติเดี๋ยวก็ไม่มีสติเดี๋ยวก็มีสติเดี๋ยวก็ไม่มีสติ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ฝึกสติเนี่ยยังสังเกตดูตัวเองเนาะแบบว่ากว่าจะเจอหลวงพ่อเขียนก็สี่สิบปีผ่านไปนี่นะก็เขาเรียกว่ามองกลับไป <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นศูนย์ไปเลย <c oughs> ชีวิตที่ผ่านมาก็เรียกว่าไม่มีสติประกอบกับชีวิตตรงอย่างนั้นเราก็เหมือนกับเล่าเรียน มีการศึกษามีอะไรต่างๆนะนมีการทำงานทำกลางต่างๆแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันก็ไหลไปตามก็เรียกว่าสัญทัตญาณที่ควรที่ควรไม่ใช่ที่ควรเป็นที่เป็นไปได้สำหรับการเกิดมาเป็นคนนั่นนั่นคือตรงเนี้ยว่าเรายังไม่ได้ใช้เนาะสิ่งที่เกิดมาให้เป็นประโยชน์เรียกว่าตรงเนี้ยหลวงพ่อเขียนถึงได้บอกว่าให้เราศรัท ธ, ธาความหลงนะให้เราศรัท ธ, ธาความหลงอันนี้คือ เรามีความหลงเอาไว้เพ <Driver> so <Like> ื่อให้เราเนี่ยจะได้มีสติรู้ถ้าเราไม่มีความหลงเนี่ยเขาเรียกว่าก็เรียกว่าเหมือนกับว่าก็จะไม่เห็นนะเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่มีขาวเราก็จะไม่เห็นดําอย่างเงี้ยนะไม่มีดํำเราก็จะไม่เห็นขาวตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราปฏิบัติไปก็เพื่อให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้และสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ครูบาอาจารย์ก็จะยืนยันนะว่านี่คือธรรมชาติ นี่คือธรรมชาติเหมือนแดดเหมือนลมนะเหมือนต้นไม้เหมือนพระอาทิตย์ทั้งหลายแหละอย่าเอามาเป็นของเราตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าฟังน่าฟังมากๆนะว่านั่นคือเขาเรียกว่าพวกเราเนาะก็อยู่ในเขาเรียกว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในร่มเงาของหลวงพ่อคําเขียนอย่างนี้นะหลวงพ่อเขียนก็เป็นนักอนุรักษ์นักอนุรักษ์ไม่ใช่ว่ารักธรรมชาติ รักต้นไม้ลักแสงแดดหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็อยากเอาของพวกนี้มาเป็นของตัวไม่ใช่นะแต่ว่านั่นคือเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็ปล่อยเขาเอาไว้เป็นประโยชน์แบบนั้นอะไรอย่างนี้นะความหลงก็เป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่เป็นของเรานังนั้นคือถ้าเราเผลอมาเป็นของเราเนี่ยเราก็ไม่ใช่นักอนุรักษ์นี่นะดั้นนั้นคือตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับธรรมชาติต่างๆนานา จะเป็นความโลภความโกรธความหลงอะไรไงก็ตามเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าอันนั้นนะมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของเรานั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยเราเนาะมีธรรมชาติอยู่ในตัวเราธรรมชาติตรงเนี้ยที่เรียกว่าเป็นธรรมะที่จะมีไว้ให้พวกเราได้ดูได้เห็นเนาะแล้วก็ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์นั้นนั่นคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ยังไงก็คือเอาของต่างๆนานาที่เป็นของเสียนะมันเป็นรู้ว่าอ๋อนี่ มันเป็นของเสียรู้ว่าเขาเป็นของเสียแล้วก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปย ung, welcome, ุ่งกับเขาหรืออะไรต่างๆนานาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเข็นก็ได้เปรียบนะได้เปรียบคําเปรียบของหลวงพ่อเขียนก <te> ็จะเป็นคําเปรียบที่ชัดเจนนะเพราะท่านเองท่านก็ได้เห็นสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ ตามสภาวะแล้วท่านก็ได้บอกตามสภาวะองค์ท่าน <c oughs> เห็นงูไหม <c oughs> ถ้าเราเห็นงูเนื้องูมันจะกัดเราได้ไหมอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็เปรียบถึงสิ่งที่บอกบอกว่าโอ้ถ้าเราเห็นทุกเนาะเมื่อเราเห็นงูเนี่ยอถ้าเรารู้จักทุกดีๆเนี่ยเราเองเราก็คงจะเห็นใช่ไหมว่าเหมือนกับเห็นงูตัวหนึ่งเราก็ไม่อยากเข้าไป เกี่ยวข้องกับเขาเห็นเขาก็เหมือนกับว่าหนีห่างหนีห่างกันเลยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยเราจะรู้จักพวกเนี้ยได้ยังไงเนาะเพราะว่านั่นคือในชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีสิ่งที่เราชอบเนาะมันมีสิ่งที่เราชอบประกอบอยู่ในตัวเราเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเราก็สะสมความชอบเอาไว้เพราะเราก็คงเคยเห็นนะแบบว่าเด็ก บางคนอย่างเงี้ยเนาะติดพระห่มอย่างเงี้ยเนาะติดพระห่มเพราะอนะไระ ười, เพราะเขาชอบผ้าห่มพื้นนั้นชอบขนาดไหนก็ต้องเรียกว่าบางทีเราก็เห็นมันเก่าจะเป็นผ้าคิลิ้วอย่างเงี้ยเขาก็ยังอุตส่ากอดนะถ้าไม่ได้กอดพระห่มไม่ได้ห่มพระห่มพื้นนั้นก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยนะตอนนั้นมันก็เกิดมาจากไหนนี่คือเป็นสิ่งที่เราสะสมความชอบเขาเรียกว่าชอบเป็นบ้าเป็นหลังนะอย่างเงี้ยพอเราชอบเป็นบ้าเป็นหลังมันก็เกิดสภาพแบบนั้นขึ้นคนอื่นก็จะดูไม่ค่อยเข้าใจว่า อันนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่านั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่ให้เรารู้ว่านี่คือความชอบความไม่ชอบของเราเนี่ยทาให้ชีวิตของเราดําเนินไปในสายตาที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่ว่าตรงเนี้ยก็ขอให้เข้าใจว่าถ้าเราละความชอบความชังจะได้เนาะตรงเนี้ยหมายถึงว่าเราเนี้ยกําลังแบบว่ามีสติที่จะพิจารณาสิ่งรอบๆข้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอย่างโดยส่วนตัวเนาะ เหมือนกับเรียกว่าตั้งแต่เล็กมาเลยก็เหมือนกับจะมีสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของความสวยงามเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราใช้ให้ดีมันก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งตรงนี้มันติดเป็นนิสัยแล้วเราไม่ทันระมัดระวังเนี่ย ความสวยงามตัวนี้โอ้โหมันตามแบบเรียกว่าตามติดมาอย่างน่ากลัวมากๆเนาะครั้งหนึ่งไปเรียกว่าไปปฏิบัตินะกับอาจารย์ปู่ตอนนู้นก็น่าจะอยู่ที่ลาวสักหลายปีก่อนอาจจะเก้าปีก่อนเนาะ หรือสิบปีก่อนจำได้เลยว่าเวลาเดินจงกลมอยู่ในป่าเนะเดินไปเห็นใบไม้ใบหนึ่งก็ใบไม้นี้ก็สวยนะอย่าว่าแต่อย่างนั้นเลยก็นั่งนั่งทำวัดครั้งแรกเนี่ยที่ศาลาหอไตรนะที่นี่วันนั้นก็เหมือนกับว่า เป็นปีแรกที่ที่บวชนะหลวงพ่อก็ย้ายสลาหอใจจากขบาบนมาที่นี่ไอ้ตรงตำแหน่งที่เรานั่งก็ <c oughs> พื้นไม้นี่ก็สวยๆนะ <c oughs> บางคนก็เห็นพื้นก็คงเป็นพื้นปกติอะนะแต่ว่าในสายตาเนี่ยสุดสายตานะฮะเรื่องความสวยความไม่สวยนะโอ้โหมันตามออกมาเรียกว่า <c oughs> ตามมาทุกขณะจิตนะคำมาทุกขนาดจิ ต, นะ น, จตนี่มันแว บ, บเดียวจริงๆนะฮะพะละสายตาไปอีกอันหนึ่งนะฮะสุดตายตาเราก็อนัไอ้ น, นี่ก็สวยไอ้ น, น, อ น, นั่นก็สวยนะฮะอย่างเนี้ย <laughs> เป็นเรื่องที่การจงกลมครั้งนั้นอนะ่ะก็จัดสวนได้เลยนะฮะ <laughs> กับพื้นที่ที่เราเดินอยู่ <laughs> ตรงนี้จะทําอย่างนั้นตรงนั้นจะทําอย่างนี้อะไรเงี้ยนะ อันนั้นก็ไม่เรียกว่าจงกรมนะอันนั้นก็เรียกว่าเดินไปแล้วก็คิดไปเดินไปแล้วก็คิดไปตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าครูบาอาจารย์ก็บอกนะบอกบอกเอาไว้สั้นๆเนะหลวงพ่อเทียนก็บอกรู้ว่าคิดก็กลับมารู้สึกตัวรู้ว่าคิดก็กลับมารู้สึกตัวตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าครูบาอาจารย์บอกไว้เรียบร้อยแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราทําได้แล้วหรือยัง ตัวนี้เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าความหลงเนี่ยมันหลอกเข้ามาเนาะอย่างที่เราเนี่ยถ้าตั้งสติไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราก็จะติดอยู่กับความหลงตรงนั้นนะแล้วก็ไหลไปไหลไปเยอะแยะไปหมดเลยเงี้ยนั่นเพียงแค่เราอาศัยนยการเคลื่อนไหวที่เป็นชุดสิบสี่จังหวะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นครั้งคัครั้ ง, ค ร, งครั้งเนาะให้เรารู้สึกจริงๆรู้สึกจริงๆไปกับ ก็เรียกว่าการเคลื่อนแต่ละครั้งการเคลื่อนแต่ละครั้งเนี่ยตรงเนี้ยก็จะช่วยเรานาะช่วยเราได้เหมืนอนยากแก้ปวดหัวเนาะปวดหัวปุ๊บก็กินยากแก้ปวดหัวกินผลงพผลาแรางแต่านะ น, น, นก็จะหายปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับเราเนี่ยคุ้นเคยกับความหลงมาเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าลองอาศัยเนาะก็เรียกว่าสูตรอันนี้เนาะหลวงพ่อเขียนก็นจะบอกบอกว่า อันนี้ก็เป็นสูตรสูตรสิบสี่จังหวะตรงเนี้ยนะเหมือนกับสูตรคูณอย่างเงี้ยนะอาศัยตรงเนี้ยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันก็จะช่วยเนาะช่วยให้เราเนี้ยได้เหมือนกับได้เหมือนกับเข้ามาสู่การปฏิบัติไม่มีอะไรช่วยเราได้มากกว่านี้เลยเนาะอย่างนั้น <laughs> อย่างก็เรียกว่า แล้วว่ามังคีนก็จะบอกเสมอๆนะว่าอย่ามาติดหลวงพ่อนะอย่ามาศรัทธาหลวงพ่อแต่ว่าให้ศรัทธาการปฏิบัติอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าหลวงพ่อเองก็เป็นสิ่งที่น่าศรัทธามากๆน่าเคารพมากๆเนาะทุกอย่างที่เป็นหลวงพ่อก็ดูน่าดูไปทั้งหมดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับพอหลวงพ่อรับไปแล้วเนี่ย มันกัเราก็ไม่มีไม่เห็นเนาะและไอสิ่งตาตานานาเหล่านี้มันก็เป็นสัญญาสัญญามันก็ไม่เที่ยงเนาะอีกหน่อยก็เราก็ลืมไปเลือนไปไม่ว่าจะเป็นความจําที่เราว่าเราจะจําแม่นแค่ไหนไงก็ตามมันก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ยังไงก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่การปฏิบัติเนี่ยเราศรัทธาไปเนาะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพวัะนั้นนั่นคือหลวงพ่อก็ได้บอกเรา กันเอาไว้ตั้งแต่แรกอเรื่องตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าให้พวกเราเนี่ยได้รู้สึกตัวเป็นครั้งครั้งรู้สึกตัวเป็นครั้งครั้งแล้วเราคอยเขาเรียกว่าคอยสังเกตผลของการปฏิบัติเนาะเรียกว่าถ้าเราสังเกตผลของการปฏิบัติเนี่ยเราจะพบว่าการรู้แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะพาเราหลุดนะเขาเรียกว่าหลุดออกมาจากห่วงของความคิดอันนี้ หลุดมาจากห้วงของความคิดที่ความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนเนาะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็เขาเรียกว่าความที่พวกเราสติก็ไม่แข็งแรงเนาะหรือว่าบางทีก็ขาดสติไปเราก็จะเอาความคิดนี้มาเป็นของเราเนาะไม่เป็นนักอนุรักษ์เือเรียกว่า <c oughs> ความคิดมันก็เป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็เอามาเป็นของเรา เราคิดแบบนี้นะเราก็เข้าไปเป็นกับความคิดแบบนั้นนั่นเองต่นนะตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าถ้าเราเริ่มการปฏิบัติด้วยการที่เรากลับมารู้สึกตัวทุกครั้งเนะรู้ว่าคิดกลับมาก่อนรู้ว่าคิดกลับมาก่อนรู้ว่าคิดกลับมาก่อ น, นการกระทำอย่างนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวเนี่ยจะมองว่า การที่เราเหมือนกับว่าเคยเคยยึดเคยติดเนาะว่าไอ้นั่นคืออย่างนั้นไอ้นี่คืออย่างนี้เนี่ยช่วยได้มากนะฮะช่วยได้มากการที่เคยแรกๆเคยมองเห็นไอ้นั่นก็สวยไอ้นี่ก็สวยเงาก็สวยแดดก็สวยเนะอย่างนั้นทุกอย่างสวยไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นก <c oughs> <c oughs> ็มันก็ค่อยเหมือนกับว่าพอเรารู้ว่าเราพลัดเข้าไปอยู่ในการตรงแต่งเนาะอย่างนั้น เราก็กลับมารู้สึกตัวในการตรุงแต่งตัวนั้นมันก็หมดไปเนาะคำว่าก็เรียกว่าสักแต่ว่าเห็นเนาะมันก็เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราเหมือนกับว่าเข้าไปเป็นเนาะเห็นปุ๊บก็เข้าไปเป็นว่ามันสวยจริงๆก็คิดว่าก็เรียกว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ได้ติดนะความสวยแบบที่ ผมเนะกํกำลังเป็นอยู่เพราะว่านั่นคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับจำได้มาตั้งแต่เล็กๆมานะก็เหมือนกับมันเข้ามาอยู่ในก็เรียกว่าในตัวเราเนี่ยอย่างอย่างเขาเรียกว่าทีละเล็กทีละน้อยเนยจนกระทั่งโอ้โหเนาะสี่สิบปีผ่านไปเนี่ยชีวิตเรามีแต่เรื่องที่ อ้นุ่นก็สวยอันนี้ก็สวยหาเรื่องหาเรื่องเห็นสวยจนได้ละต้องเรียกอย่างงั้นเพราะฉะนั้นนี่นคือตรงนี้เนีพอเวลาที่ปฏิบัติเนาะเราก็พบว่าไอ้การที่เรารู้แต่ละครั้งรู้แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็ช่วยลดอุณห ภ, ภูมิตรงเนี้ยไปได้มากๆกเรียกว่าก็ <K> มีความรู้สึกว่านี่คือความรู้สึกตัวละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันทําให้เราปล่อยเนาะให้เราวางเนาะอย่นั้น บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นมาความคิดที่เหมือนกับว่าความสวยงามที่มันแวบเข้ามาตามความเคยชินตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่เราเห็นเนาะเราก็เหมือนกับว่านึกถึงสิ่งที่เราสวดเนาะในอย่างมักมีองค์แปดอย่างเงี้ยนะเราสละทิ้งเราสลัดคืนหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ บางทีปฏิกิริยาของการที่เรากลับมารู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันอย่างนั้นเนาะก็คือเหมือนกับว่าพอเราเหมือนกับว่าพอแวบหนึ่งที่เกิดขึ้นแนละ้วก็กลับมาแวบหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็กลับมาตามสิ่งที่เราเรียกว่าปฏิบัติตามความเคยชินเนาะเหมือนกับว่าเหมือนกับพอเรารู้ว่าเราเข้าไปสนใจเนาะรู้ว่าเราเริ่มก็เรียกว่าเหมือนกับจะติดเข้าไปอยู่ในความคิดเนาะ ตรงนั้นก็กลับมารู้สึกตัวครั้งหนึ่งกลับมารู้สึกตัวครั้งหนึ่งไอ้ตรงที่มันเคยมีอิทธิพลที่จะทําให้เราก็เรียกว่ามีตันหานะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาตรงนั้นเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันก็หลุดออกมาตรงเนี้นี่คือตันหาใช่ไหมนี่คือตันหาที่เราสวดกันเนาะอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นการมาฉันทะเนาะ มันเป็นสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนะด้วยความที่ความชอบเนอะใบไม้ใบหนึ่งเท่านั้นเองเนาะดินก้อนหนึ่งเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้ไอ้การตัญหาตรงนี้ของเราเนี่ยมันผุดขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นไม่มีใครเข้าใจตรงนี้ก็แบบว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ ก็ตัวเราเองเนาะเราก็ต้องคอยสังเกตตัวเราเองแบบนี้มาสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เนาะว่าเราเนี่ยเข้าไปติดกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าใช่ั้ยแบบว่าความสุขความทุกข์เนาะตรงเนี้ยเราเข้าไปติดสุขเข้าไปติดทุกข์หรือเปล่าสองอย่างตรงเนี้ยนะก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองก็ได้บอกเอาไว้ในเรียกว่าธรรมจักรกัปะปะตนสูตรตั้งแต่แรกเนาะน ที่หลวงพเขียนเองเนี่ยก็ท่านก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้สวดธรรมาจักกันตรงนี้ก็คือสิ่งที่แบบว่าเราเนาะแบบว่าเข้าไปติดทุกติดสุขแบบที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เตือนปัจจาวิกคีอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรใช่ไหมเราแบบสิ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าเลยคําว่าติดเนาะ คำวติดก็คือมันอยู่กับที่ใช่ไหมมันอยู่กับที่เนี่ยโลกก็เคลื่อนไปเราก็พูดกันนะว่าถ้าเมื่อไหร่เราอยู่กับที่เนี่ยก็เท่ากับเราถอยหลังแล้วอย่างเนี้ยอ่างนั้นะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยเรากําลังชนกันเนาะเขาเรียกว่าชนกันเดินไปข้างหน้าหรือว่าเขียนจะเปรียบเนาะเปรียบมักเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะเข้าใจได้เลยก็คือหลวงพ่อก็บอกว่าเหมือนกับเราเดินทางไปเชียงใหม่อย่างงี้เนาะใช่ไหม เมื่อเราเดินทางไปเชียงใหม่เราก็ต้องผ่านเนาะนครสวรรค์สุโขทัยพิษณุโลกเลนต่านาเหล่านี้เนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนก็บอกว่าในขณะที่เรากําลังเดินทางไปสู่ความพ้นทุกตรงเนี้ยเราก็จะต้องผ่านสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้หลวงพ่อเคยเดินมาก <SPEAK. S 1> uh, like like ่อนเนะหลวงพ่อก็บอกพวกเราใช่ไหมอย่างนี้วรธรรมเนี่ยหลวงพ่อก็บอกนี่ก็คือสิ่งที่เป็นทางที่เราจะต้องผ่านถ้าเราเนาะไปติดเนาะ เราก็หยุดอยู่ตรงนั้นจุดหมายไปทางก็ไม่ถึงอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยครูบาจารย์ก็จะบอกเอาไว้ในสิ่งที่ท่านเองท่านก็เคยติดข้องอยู่เนาะครูบาจารย์ก็จะบอกเอาไว้ว่าท่านเองเนี่ยท่านแบบว่าละสิ่งที่ท่านติดมาได้ยังไงตรงเนี้ยนะ้องก็เราได้ยินได้ฟังนะ้องเขาเรียกว่าเทศของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยทุกเทศทุกเท ศ, ท, เ ท, ศทุกเทศเนี่ยเราลองดูไม่ได้มีอะไรบ้างไปกว่านี้เลยเนาะ การกลับมารู้สึกตัวอย่างเทศเมืม่อวานนะที่พระจันทร์โนตเปิดให้พวกเราฟังในตอนในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหลวงพ่อก็บอกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางแล้วก็เป็นที่สุดอย่างเงี้ยนะอยู่นัน้นเมื่อวานนี้ถ้าเราฟังเราก็คงจําได้นะหลวงพ่อบอกว่าในขณะหนึ่งที่หลวงพ่อเองเนี่ยก็เหมือนกับ ติดสุขนะในขณะที่ปฏิบัติไปก็มีความสุขไปในขณะที่ปฏิบัติไปก็มีความสุขไปตรงนั้นหลวงพ่อก็เคยเล่าให้ฟังเนาะหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่างหลวงพ่อเองก็เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยตรงนั้นก็หมายถึงว่าพอเราไม่ใช้คําว่าติดสุขเนาะคําว่าติดสุขนี่หมายถึงว่าเรารู้ตัวแล้วเราเห็นแล้วอย่างเงี้ยเนาะอยงนั้นแต่ว่าณขณะนั้นหลวงพ่อเองก็เหมือนกับว่าอยู่กับการปฏิบัติเนาะ แล้วก็มีความสุขโดยที่ก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เหมือนกับว่าเราก็ก้าวมาก้าวมาก้าวมาจนถึงจุดจุดหนึ่งที่ในวันนั้นเองเนี่ยหลวงพ่อเทียนก็บอกหลวงพ่อบอกว่ามันเหมือนกบอะที่อยู่ในกะลาเล็กๆมีแอ่งน้ําเล็กๆ ก, ก, ก็คิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่ก็เรียกว่ามันเป็นทั้งหมดแล้วอะไรอย่างเงา หลวพเทียนบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่ อ, อรายงานผลการปฏิบัติแบบนี้อะไรเงี้ยหลวงพ่อถึงได้รู้ว่าโอ้เอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ความสุขที่หลวงพ่อคิดว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องละใช่ไหมนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเองก็เหมือนกับว่าเวลาที่หลวงพ่อเทศเนาะหลวงพ่อก็จะบอกสภาวะเป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับว่า ได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยควรจะทำยังไงพวกเราเนี่ยควรจะทำยังไงเวลาที่เราไม่ใช่ไม่ใช่เรานะตัวผมเองเนะเวลาที่ฟังเทศของหลวงพ่อเนี่ยนะก็จะเหมือนกับว่าก็คอยคอยที่จะเหมือนกับว่าคอยฟังคาแนะนำของหลวงพ่อตรงนี้นั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเองก็จะยืนยันเนาะก็เรียกว่ายืนยันตลอดมาว่า ที่นี่ไม่มีการสอบอารมณ์ที่นี่อาจจะหมายถึงหลวงพ่อเองนะหลวงพ่อบอกว่าถ้าเอ๊ะ ก, ก็ไม่ใช่นะถ้าออกระไปต่อกันอะไรต่างๆเราลองสังเกตดูนะว่าพวกเราเอ๊ะเมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงอะไรเอ๊ะเมื่อไหร่เราก็จะวนอยู่ตรงนั้นวนเวียนเนาะหาคําตอบหาหาคําถามห า, หานู่นหานี่วนอยู่นั้นติดอยู่นั้นหละ่ะ นั่นั่นคือตรงนี้เนี่ยการเดินทางของการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการเดินทางเนาะเพราะนั้นน ality, ahora, de de uman, ั้นคืออะไรก็ตามที่ทําให้เราต้องหยุดการเดินทางลงเนี่ยตรงนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่การปฏิบัติแล้วตรงนั้นเป็นสิ่งที่ขัดขวางเราเพราะนั้นนั้นคือตรงนี้ก็เรานะอยู่ที่นี่เนาะใช่ไหม จะได้ยินเ็าเรียกว่าหลวงพ่อเทศจะได้ยินหลวงพ่อเทียนเทศจะได้ยินพระอาจารย์ไพศาลเทศจะได้ยินครูบาอาจารย์ต่างนานาเหล่านี้เทศเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าเอาเขาเรียกว่าสิ่งที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ได้บอกเนี่ยมาเป็นสิ่งที่นำมาเป็นการปฏิบัติอย่าฟังแล้วก็ผ่านหูไปเฉยเฉยฟังแล้วผ่านหูไปเฉยเฉยถ้าเราฟังฟังแล้วผ่านหูไปเฉยเฉเนี่ย เราจาไม่รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังเนาะแล้วเราก็เหมือนกับว่าเอามาทําแล้วก็เมื่อเราเอามาทำเนี่ยเราก็สังเกตเนาะทำเป็นแล้วหรือยังอย่างเงี้ยผลของการปฏิบัติเนี่ยก็คือเป็นแล้วเนาะเป็นแม่ครัวธทำของเป็นแล้วก็คือจะเป็นแกงเผ็ดแกงจืดมันก็เป็นแกงเผ็ดแกงจืดอย่างเงี้ยเนาะตรงเนี้ยคาว่าเป็นแล้วเป็นแล้วตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่ให้พวกเราได้สังเกตให้พวกเราได้สังเกตเนาะการมีสติ ครั้งหนึ่งการมีสติครั้งหนึ่งเนี่ยการรู้สึกตัวครั้งหนึ่งผลของความรู้สึกตัวก็คือเราจะหลุดออกมาจากความคิดนะเราจะหลุดออกมาจากความคิดตรงเนี้ยความคิดที่มันเคยมีอิทธิพลกับเรามันก็จะทำอะไรเราไม่ได้นั่นก็นคือตรงเนี้ยนะก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้คอยสังเกตตัวเองแบบนี้ความก้าวหน้าของเราก็คือเราหลงมากแค่ไหนเนาะเรารู้มากแค่ไหนเนี่ยเราแต่ละคนก็สังเกตตัวเราเอง สังเกตตัวละเองอตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยหลวงพ่อมเขียนเคยบอกนะเราพบกันที่ไหนพบกันที่ความรู้สึกตัวไม่ได้พบกันที่สุกโตวันนี้พวกเรามากระถินกันวันนี้พวกเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่กันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่สิ่งที่พวกเราจะต้องพาตัวเองพบก็คือพบความรู้สึกตัวแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นมรดกเนาะของครูบาอาจารย์ที่ปากพวกเราเอาไว้ให้พวกเราเนี่ย ได้เดินทางไปถึงที่ที่ไม่ทุกข์กันทุกคนก็พวกเรากลับพระพร้อมกัน